ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวกับนิทานเรื่องราชาหัวใจลองพองพระราชาพระองค์หนึ่งทรงมีทรัพสมบัติในครอบครองมากมายอีกทั้งราชาอาณาจักรของพระองค์ก็ขยายเขตแดนกว้างใหญ่ไพศาลใครๆต่างก็รู้จักพระองค์ในฐานะพระราชาผู้ครอบครองดินแดนทั่วล่า และมหาทรัพย์ทั่วแผ่นดินการเลื่องลือน้มของพระองค์ในแง่นี้ทำให้ความเย่อหยิ่งลำพองตนเข้าเกาะกลุมหัวใจของพระราชาอย่างง่ายดายนับวันความลำพองของพระราชาก็จะสะสมพอกพูนขึ้นเรื่อยๆความถือพระองค์ว่าเป็นที่หนึ่งทำให้พระราชาปฏิเสธที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับบ้านเมืองอื่น ด้วยเหตุผลว่าไม่มีบ้านเมืองใดยิ่งใหญ่และคู่ควรพอที่พระองค์จะติดต่อด้วยครั้นมีราชทูตจากเมืองไกลมาขอเข้าเฝ้าพระองค์ก็จะรับสั่งผ่านมหาดเล็กว่าไปบอกทูตเมืองนั้นว่าเราไม่สนใจราชสารของกษัตริย์แห่งเขาเราเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่างพอที่จะอ่านข้อความเล็กๆน้อยๆพวกนั้นหรอก เมื่อการเป็นเช่นนี้นานวันเข้าจึงไม่มีใครส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีอีกรวมทั้งตัดขาดการติดต่อทางด้านการค้าไปด้วยพระราชาไม่ทรงแยแสเรื่องนี้แต่ทรงลืมนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของราชอาณาจักรแห่งนี้เป็นเมืองท่าประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพค้าขายและส่วนหนึ่งที่ทําให้บ้านเมืองของพระองค์มั่งคั่งร่ํารวยได้ก็เพราะภาษีที่เก็บได้จากการค้าขายกับต่างแดนเหล่าเสนาอมามบาดต่างกลัวพระอาญาจึงไม่มีใครกล้าทูลพระราชาเกี่ยวกับวิกฤตนี้ประชาชนจําต้องก้มหน้าก้มตารับความ คนแขนขัดเครืองอย่างน่าสงสารจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักบุญท่านหนึ่งเดินทางผ่านราชาอาณาจักรของพระราชาผู้ทรงลําพองตนนักบุญรู้สึกแปลกใจที่อาณาจักรแห่งนี้ไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนประชาชนก็ดูจะอดอยากและมีแต่ความเศร้าหมองนักบุญจึงสอบถามความจากชาวเมืองคนหนึ่งจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปทางพระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าพระราชา แม้พระราชาจะทรงลำพองในความยิ่งใหญ่ของตนมากแค่ไหนแต่พระองค์ก็ไม่เคยปฏิเสธนักสแสวงบุญดังนั้นเมื่อทรงทราบว่ามีนักบุญพาเนจรมาขอเข้าเฝ้าพระราชาก็รับสั่งให้ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแต่นักบุญบอกว่าตนเองไม่ต้องการการต้อนรับที่เอกระเลิศ<อ>เพียงแต่มีคําถามที่อยากทราบจากพระโอษฐ์ของพระราชาเท่านั้น เมื่อพระราชาทรงทราบความต้องการของนักบุญพระองค์ก็เสด็จมาที่ท้องพระโรงทันทีผู้ทรงศีลท่านมีคำถามอันใดเร่งด่วนนักหรือจึงปฏิเสธการต้อนรับซึ่งน้อยคนนักจะได้รับจากเราเพียงเพื่อต้องการทราบคำตอบนั้นพระราชาตัดถามทันทีที่พบหน้านักบุญนักบุญไม่ได้ตอบคาถามของพระองค์แต่กลับพูดขึ้นว่า มหาราชาพระราชาอาณาจักรของพระองค์ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเสียยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆที่ข้าพเจ้าเคยสัญจรผ่านข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรในความปรีชาของพระองค์โดยแท้มหาราชาไม่เพียงเท่านั้นท่านผู้ทรงศีลตัวเรายังมีทรัพย์สมบัติทั้งแก้วหวนเงินทองอีกเป็นร้อยเป็นพันกอดเก็บไว้ในท้องพระคลังอีกด้วย นักบุญยิ้มกล่าวว่าพระองค์คงภาคภูมิใจในราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และทรัพย์สมบัติมากมายก่กองเหล่านี้เสียเลยเกินนะมหาราชาแน่แท้ผู้ทรงศีลจะมีสิ่งใดแสดงความเป็นมหาราชได้ดีเท่าความก้างกว้างใหญ่ไพศาลของเขตแดนประเทศและทรัพย์สมบัติที่พระราชาผู้นั้นมีไว้ในครอบครองอีกเล่าถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าขอบังอาจถามอะไรพระองค์สักหน่อยเถิด น, นักบุญกล่าวถามมาเถิดเรายินดีตอบท่านผู้นำสิริมาให้พระราชาตรัสอนุญาตนักบุญจึงถามพระองค์ว่าพระองค์คิดว่าบ้านเมืองของพระองค์มีค่ามากเท่าไหร่ พระราชารู้สึกสนเท่ที่นักบุญถามเช่นนั้นและไม่มีคำตอบที่จะตอบเพราะพระองค์ไม่เคยประเมินค่าบ้านเมืองของพระองค์มาก่อนนักบุญเห็นพระราชาิ่งเงียบไปจึงถามต่อว่าแล้วแก้วแหวนเงินทองมากมายที่กองอยู่ในท้องพระคลังเหล่านั้นมีค่าเท่าไหร่พระราชาทรงสัยพระพักคำถามของท่านยากที่จะตอบ ทรงปัดแก่นักบุญเพราะเราไม่เคยตีราคาราชอาณาจักรของเราและไม่เคยนับทรัพย์สมบัติที่เรามีแต่ท่านแน่ใจทว่าสิ่งเหล่านี้มีค่ามากเกินกว่าจะนับออกมาเป็นจํานวนที่เที่ยงแท้ได้และก็ไม่มีอาณาจักรใดจะมีมากเท่าที่เรามีอีกแล้วนักบุญยิ้มถามต่อว่าสมมุติวันหนึ่งพระองค์เดินหลงทางอยู่ในทะเลทรายโดยไม่มีทั้งอาหาร ไม่มีทั้งน้ำติดตัวโชคดีมีคนพาเนจรผู้ตรหนีเดินผ่านมาทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีเพียงน้ำบริสุทธิ์เพียงแก้วเดียวพระองค์ยินดีจะจ่ายให้เขาเท่าไหร่เพื่อแลกกับน้าแก้วนั้นและชีวิตของพระองค์เองพระราชานิ่งตรึกตองก่อนจะตอบว่าเราอาจจะยกอาณาจักรของเราให้เขาสักครึ่งหนึ่งเพื่อแลกกับน้ำแก้วนั้นกระมังนักบุญถามต่อว่า แล้วถ้าพระองค์ประชวนด้วยโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาได้ทุกวันต้องทรงร้องควรคลางด้วยความทรมานจากพิษของโรคนั้นแต่แล้วพระองค์ก็ทรงทราบว่าทั่วแผ่นดินนี้มียาอยู่เม็ดหนึ่งที่สามารถรักษาอาการประชวนนั้นได้แน่แล้วว่าเจ้าของยาคงไม่มอบยาที่มีสรรพคุณวิเศษเช่นนั้นให้แก่พระองค์โดยง่าย เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะมอบสิ่งใดแก่เขาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่คู่ควรกับยาหนึ่งเม็ดนั่นเล่าหากเราต้องเป็นดังเช่นที่ท่านว่าเราก็จะยอมแบ่งทรัพย์สมบัติของเราให้แก่เขาอย่าว่าแต่ครึ่งหนึ่งเลยแม้หมดท้องพระทังเราก็จะยกให้ถ้ายาของเขาวิเศษจริงจริงสิ้นคำตัดของพระราชา นักบุญก็หัวเราะเสียงดังกล้องท้องพระรงค์พระราชาไม่ทรงเข้าพระทยัยตัดถามว่าท่านหัวเราะทำไมเมือ่อมีเรื่องใดน่าขันอย่างนั้นหรือนักบุญตอบว่าข้าพเจ้าหัวเราะเพราะในตอนแรกพระ อ, องค์บอกว่าราชอาณาจักรและทรัพย์สินที่พระ อ, องค์มีเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าราชอาณาจักร และทรัพย์สมบัติของพระองค์มีค่าเพียงแค่น้ำหนึ่งแก้วและยาหนึ่งเม็ดเท่านั้นนั่นเองล่ะคุณค่าของมันกล่าวจบนักบุญก็เดินหัวเราะออกไปจากท้องพระโรงทิ้งให้ปราชาต้องทรงขบคิดถึงบทเรียนสำคัญที่เขาทิ้งไว้เธอทั้งหลายคนเรามักเข้าใจว่าคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ที่ว่าใครมีสมบัติในครอบครองมากเท่าไหร่อันที่จริงท้านั้นคือผลจากความขยันหมั่นเพียรจนทําให้เขาก่อร่างสร้างตัวได้สําเร็จก็ไม่ผิดเสียทีเดียวที่เราจะยกย่องให้เขาเป็นคนมีคุณค่าคนหนึ่งแต่เธอก็ต้องไม่ลืมว่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งและส่วนน้อยกระจิตริษไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเอามาวัดได้ว่าใครมีคุณค่ามากมายแค่ไหน เว้นแต่จิตใจของเราสมบัติอื่นๆล้วนไม่ใช่ของของเราอย่างแท้จริงแม้กระทั่งร่างกายของเราอันที่จริงก็ไม่ใช่ของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งไปตลอดถึงแม้คนคนนั้นใช้ความพยายามทั้งชีวิตเพื่อค้นหามันด้วยเหตุนี้หากใครเอาเงินทองมาวัดความยิ่งใหญ่สุดท้าย เขาจะตายไปโดยไม่เหลือคุณค่าใดๆเพราะเมื่อถึงเวลาที่แผ่นดินกรบหน้าใครเล่าจะมีสิทธิในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอีกดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์จึงควรอยู่ที่คุณธรรมประจำใจของเขาอยู่ที่ความดีอยู่ที่การเสียสละอยู่ที่ความรับผิดชอบอยู่ที่ความคิดว่าจะเอื้อเฟื้อให้ผู้อื่นได้มากเท่าไหร่มีใช่ทาอย่างไร จึงจะเอามาเป็นของตนให้ได้มากที่สุดบางคนยิ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งทำลายบางคนยากจนแต่มีใจช่วยเหลือใครมีค่าคู่ควรที่จะเป็นมนุษย์บนโลกนี้เธอคงคิดออกใช่ไหม